รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่20สขายเหล้าจเจริญสติไหวไหมกรณีเฉพาะตนของปลาอาชีพขายของร้านชำลักษณะงานที่ทำยังเรียนอยู่และช่วยที่บ้านขายของเป็นร้านเล็กๆที่มีเบียร์และเหล้าอยู่ด้วย ค, คำถามแรก ตอนช่วยพ่อแม่ดูแลร้านดิฉันต้องเป็นคนหยิบยื่นเหล้าและเบียร์ให้ลูกค้ากับมือเพราะตู้เย็นอยู่หลังเคาน์เตอร์เพื่อให้ลูกค้าสั่งเอาไม่ใช่หยิบเองตอนแรกๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เพิ่งมาทราบว่าเป็นหนึ่งในมิจฉาวณิชาคืออาชีพที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่การค้าขายอันชอบอันควรถือว่าเป็นการค้าสิ่งไม่ดีอย่างนี้ถือเป็นบาปติดตัวถึงขั้นขวางการเจริญสติไหม ตอนยื่นเหล้าเบียร์นี่ทราบวาระจิตตัวเองอย่างหนึง่งคือรู้สึกแย่มากเหมือนทำผิดคิดร้ายจะหมุนหมองไปนานต้องถามตัวเองว่าคุณคิดอยากขายเหล้าหรือเปล่าถ้าไม่คิดก็ไม่ถือว่าบาปครับมีคาถาพระธรรมบทอยู่บทหนึ่งที่น่าฟังมากครับคือเมื่อฝ่ามือไม่มีแผลก็ย่อมถือยาพิษ ได้โดยที่คิดไม่ซึมทราบเข้าสู่ร่างฉันใดก็ฉันนั้นบาปย่อมไม่มีแก่คนที่ไม่คิดจะทำคาถานี้มีที่มาจากการที่สาวคนหนึ่งเป็นโสดาบันบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนแล้วมีศีลห้าเป็นปกติแล้วแต่ไม่ได้บวชและเป็นภรรยาในพรานนางปรนิบัติสามีเยี่ยงภรรยาทั่วไปแม้กระทั่งตระเตรียมและหยิบยื่นคันธนูให้พรานผู้เป็นสามี เพื่อนําไปใช้ประกอบอาชีพทุกเช้าเมื่อคนร่ําลือกันว่านางเป็นถึงโซดาบันแต่กลับยื่นอาวุธให้สามีนําไปประกอบอาชีพก็ได้รับคําอธิบายว่าที่หยิบยื่นให้นั้นไม่ใช่ด้วยเจตนาว่าสามีจงนําธนูนี้ไปฆ่าสัตว์สามีจง น, น, นําธ น, นูไปล่าสัตว์มาเลี้ยงชีพคนในบ้านได้มากๆแต่นางทําไปโดยยืนพื้นอยู่บนความคิดที่ว่า เราจะปฏิบัติต่อสามีตามสมควรแก่หน้าที่ของภรรยาอาวุธของสามีนางนั่นแหละคือยาพิษแต่จิตนางไม่ประกอบด้วยแผลคือความคิดประทุษร้ายต่อสัตว์เมื่อปราศจากแผลคือเจตนาฆ่าฟันใดๆฉะนั้นจึงไม่ถือว่ามีส่วนผิดไปด้วยที่คุณรู้สึกแย่ตอนยื่นเล่าให้ลูกค้าก็ขอให้สังเกตอย่างนี้ครับ ตัวความรู้สึกแย่ถูกรู้ได้ไหมรู้ไม่ว่าความรู้สึกแย่นั้นเกิดขึ้นในท่ายืนหรือท่านั่งและที่สาคัญเมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกแย่ความรู้สึกแย่นั้นหายไปกลายเป็นความว่างจากความรู้สึกแย่ได้ไหมบอกตัวเองไว้นะครับความสามารถในการเห็นความรู้สึกแย่ๆตลอดจนทราบชัดว่า ความรู้สึกแย่ๆหายไปเมื่อถูกเห็นแล้วกลายเป็นความว่างแทนนั่นแหละครับที่แสดงให้เห็นว่าบาปไม่เกาะจิตบาปไม่ใช่ของติดตัวคุณภาวะของจิตนั้นถ้ากำลังย้อมด้วยบาปจริงจะดูไม่ได้นะครับเพราะจิตจะมืดจนไม่มีช่องว่างให้สติเจริญขึ้นได้ข้อนี้ท่องไว้เลย ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนสั่งเหล้าเข้าร้านไม่มีเอี่ยวอะไรด้วยกับการคัดของหรือสั่งเพิ่มก็อย่าไปกังวลไปเลยคุณช่วยพ่อแม่ขายของด้วยฐานะลูกคิดแบบลูกช่วยพ่อแม่ทำมาหากินตามสภาพถือว่าไม่เปิดแผลทางใจใดๆตรงข้ามความไม่สบายใจถือเป็นหลักฐานว่าคุณไม่ได้มีแม้แต่ความยินดีกับการขายเหล้าแม้แต่น้อย เพื่อเน้นย้ำให้จิตหลอดจากอากุศลอย่างบริบูรณ์ก็ให้พิจารณาไปด้วยว่าเมื่อสติเจริญแล้วสภาพของจิตย่อมมีความสามารถรู้ชัดรู้ตามจริงตลอดจนคิดอ่านในทางสว่างทางกุศลเสร็จแล้วพิจารณาอีกทีถามตัวเองว่าเล่ายาเป็นเครื่องบัทอรหรือเป็นตัวส่งเสริมสติคุณย่อมได้คาตอบชัดเจนว่าเป็นตัวบัทอน เป็นเครื่องมอมเมาไม่น่ายินดีหมายความว่าวันหนึ่งพอกิจการตกมาอยู่ในมือคุณสิ่งแรกที่คุณจะคัดออกก็ย่อมเป็นเหล้าและเบียร์นั่นเองพอยืนยันกับตนเองเช่นนั้นได้ก็สบายใจครับย้ำระลึกกับตนเองไว้เมื่อมีสิทธิ์เลือกคุณเลือกที่จะขายหรือไม่ขายนั่นแหละถึงจะเป็นกรรมของคุณเป็นบาปบุญของคุณ ในวันที่กิจการยังเป็นสิทธิตัดสินใจของพ่อแม่คุณเพียงสำรวจดูใจตัวเองก็แล้วกันว่าที่ผ่านมามีไหมที่ดีใจขายเรล้าได้เยอะจะได้มีเงินเข้าร้านแยะหากพบว่าไม่เคยมีใจยินดีเลยก็ให้นับว่าคุณไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแม้แต่น้อยครับคำถามที่สอง การที่ดิชั้นเจริญสติแล้วบางวันได้ผลแต่บางวันฟุ้งซ่านอย่างหนักเป็นเพราะผลของการมีส่วนในการขายเหล้าหรือเปล่ายิ่งวันยิ่งไม่สบายใจตอนเห็นหน้าลูกค้าประจําที่สั่งเหล้าและอยากหลบไปหลังร้านให้พ้นๆแต่ก็จนใจเพราะที่บ้านไม่ได้จ้างคนงานหากไม่ใช่เวรดิชั้นก็ต้องเป็นพ่อแม่หรือน้องสาว จากที่เล่ามาน่าจะมีคำตอบอยู่ในตัวเองแล้วความกังวลของคุณเองนั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟุ้งซ่านอย่างหนักคนเราโยงเรื่องเกี่ยวกับจิตไม่ค่อยถูกว่าอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลจริงอยู่บาปบางอย่างทำให้ฟุ้งซ่านจัดเช่นการกินเหล้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านหรือถึงขั้นเป็นบ้าได้ฉะนั้น ถ้าขายเหล้าด้วยความโลภอยากทำเงิน no ก็ไม่แปลกที่จะฟุ้งซ่านจัดตามลูกค้าเพราะตามหลักก ร, รรมวิบากนั้นให้สิ่งใดกับใครก็ยอมได้สิ่งนั้นเข้าตัวผ <the word sense of expression> ู้ให้เหตุแห่งความฟุ้งซ่าน <the word sense of expression> ยอมได้รับเหตุแห่งความฟุ้งซ่านผู้ให้เหตุแห่งความเป็นบ้ายอมได้รับเหตุแห่งความเป็นบ้าแต่สำหรับคุณไม่ใช่ต้นคิดขายเหล้า ฉะนั้นตัวความฟุ้งซ่านน่าจะมาจากเหตุอื่นมากกว่าและเหตุแห่งความฟุ้งซ่านก็มีอยู่หลากหลายถ้าคุณกังวลเรื่องเรียนกังวลเรื่องแฟนกังวลเรื่องเพื่อนมันก็เป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านได้ทั้งนั้นแต่เมื่อปมเกี่ยวกับการขายเล่าอยู่ในใจคุณกลายเป็นจุดเด่นที่ถูกตีให้ปูดขึ้นมาเหนือสิ่งอื่นใดคุณก็โยงไปสงสัยว่าท่าทางคงเป็นเพราะขายเล่านี่เองจึงฟุ้งซ่านจัด เจริญสติไม่ก้าวหน้าต่อไปให้เน้นดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับขณะใดฟุ้งซ่านจัดขอให้ดูว่ามีความกังวลควบคู่ไปด้วยหรือไม่ถ้ามีให้รู้ว่ามีและเมื่อรู้แล้วว่ามีจิตคุณก็จะเลิอกอยู่ในอาการเลี้ยงความกังวลเปลี่ยนไปเป็นดูความกังวลและเห็นความกังวลแสดงความไม่เที่ยงไปเอง เครื่องพิสูจน์ว่าดูได้ถูกต้องไม่ใช่หายฟุ้งทันทีไม่ใช่ใจเงียบกริบทันทีแต่เป็นความรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะความกังวลกับความสบายใจเป็นปฏิปักต่อกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันหากสบายใจแล้วรู้ว่าสบายใจตรงนั้นให้ถือว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงของความกังวลแล้วนะครับ ลองดูเรื่องกันคือการกระทังของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลไร้ไร้อาจลึกลับแต่มั่นคงคือ ก, การส่งผลของกันคือทำอะไรทำดีหรือไรผล น, นั้นคือกัน รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่21ตัวหลอกว่าเป็นเรากรณีเฉพาะตนของปอมอาชีพแม่บ้านลักษณะางานที่ทำเลี้ยงลูกดูแลบ้านคำถามแรกตามรู้กายใจจนเริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เรา และเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งความเจ็บก็อีกส่วนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจจะแยกแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว่ามีเราอยู่ที่ไหนอีกสักที่ที่แรกก็หาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนสังเกตไปก็ชักรู้สึกว่าอยู่ที่ตัวรู้นั่นเองยังมีความยึดถือว่าตัวรู้เป็นเราก็เลยลองมาดูตัวรู้เป็นพิเศษเห็นเขาไปว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวรู้นี่ไม่แน่นอนสักอย่าง จะทำไปทำมากลับรู้สึกว่ามีภาคใหม่ขึ้นมาดูตัวรู้พยายามดูภาคใหม่นั้นให้ชัดๆเลยกลายเป็นรู้ซ้อนรู้ถ้าถอยออกมาแล้วจะเบลอเลอไม่แน่ใจว่ากำลังหลงทางอยู่หรือเปล่าปกติคนเราจะรู้สึกว่ามีตัวเองอยู่ก้อนหนึ่งกายอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่นั่น ใจอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่นั่นความคิดอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะรู้สึกถึงกายใจหรือความคิดทั้งหมดก็เป็นสิ่งบอกความเป็นตัวเราไปทั้งนั้นที่สำคัญคือกายใจดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผสมรวมเป็นความรู้สึกในอัตตาตัวเราก้อนหนึ่งไม่มีความเป็นต่างหากจากกันจึงไม่เกิดความสงสัยเลยเอาแต่ปักใจเชื่อแน่ๆ ว, ว่านี่แหละตัวเรา ทั้งกายทั้งใจและทั้งความคิดอันปรากฏอยู่ท่ามกลางกายใจนี้ต่อเมื่อเริ่มทําให้สติเจริญขึ้นไม่เอาแต่หลงเชื่อว่ามีเรามีเราค่อยๆดูว่าลมหายใจมันเข้าแล้วก็ออกค่อยๆดูว่าร่างกายมันเคลื่อนแล้วก็หยุดค่อยๆดูว่าจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็สงบลงไปโดยไม่มีใครบังคับได้ ปัญญาก็ผุดขึ้นในท่ามกลางความรู้สึกตัวตามจริงนั่นเองว่ากายก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งความรู้สึกและความคิดก็อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่กร อ, อัด ต, ตาอย่างที่เข้าใจแต่แรกชั่วขณะที่กายใจปรากฏแยกกันมโนภาพความเป็นเราจะหายไปชั่วคราวอิริยาบถปัจจุบันปรากฏให้รับรู้ตามที่มันเป็นว่ามีแต่ท่านั่งไม่มีเรานั่งมีแต่ท่ายืน ไม่มีเรายืนความเจ็บจากการกระทบกระแทกใดๆเกิดขึ้นก็สักแต่เป็นความเจ็บไม่มีมโนภาพของผู้เจ็บความเจ็บเป็นเรื่องของกายความเจ็บเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเรามีแต่อาการไม่มีผู้ถูกกระทาหากรู้ไปเพียงเท่านี้เรื่อยๆก็อยู่บนทางที่จะพาไปถึงจุดประหารความสําคัญผิดว่า กายใจเป็นตัวเราอย่างเด็ดขาดแล้วครับแต่พอคุณสงสัยขึ้นมาว่าทำไมเห็นกายใจตามจริงแล้วจึงยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่อาการควาหาตัวตนก็เกิดขึ้นทันทีอาการควาหาตัวตนนั่นแหละบ่อกเกิดของตัวตนและเป็นที่ตั้งของตัวตนความรู้สึกว่ารู้ซ้อนรู้อะไรนั้นเป็นความปรุงแต่ง เป็นของหลอกล่อให้ไปเพ่งดูตัวที่สามารถเลือกดูอะไรได้อย่างใจนั่นแหละคือต้นต่อของความสำคัญว่าข้าคือผู้เลือกความรู้สึกชนิดนี้ฝังแน่นมาทุกพบทุกชาติตลอดกลับตลอดกันและจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้ตราบเท่าที่เราเฉลียวไม่ทันสรุปคือทำไมาไดถึงขั้นนี้ดีมากแล้วแต่ถ้าคราวหลังสงสัยว่าทำไมยังรู้สึกตัวว่ามีตัวตนให้ดูความสงสัยไปนะครับ อย่าไปกำหนดดูที่ตั้งของตัวตนให้ชัดเป็นอันขาดจริงๆแล้วที่ตั้งของตัวตนอยู่ที่ความพอใจในการเห็นรูปความพอใจในการได้ยินเสียงตลอดจนความพอใจในการได้คิดได้ค้นได้เป็นผู้เลือกคิดได้เป็นผู้เลือกรู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิธีเจริญสติของท่านครับแม้ความเผลยยินดีในอาการเลือกคิดเลือกรู้ก็เป็นความทยานอยาก ยังผลให้เกิดความพอใจจะมีตัวตนเอาไว้คิดเอาไว้รู้ฉะนั้นก็อยากให้อาหารกับมันด้วยการอยากดูตัวตนให้ชัดๆอีกคำถามที่2บางทีก็รู้สึกเคว้งคว้างเหมือนกับจะเลิกก็เลิกไม่ได้ เพราะมันรู้ขึ้นมาเองรู้สึกคล้ายลอยคอไปในทะเลแบบไม่สิ้นสุดจนเหนื่อยที่ไปรู้มากเห็นมากความเหนื่อยเป็นตัวฟ้องครับว่าคุณยังไม่รู้เองอย่างเป็นธรรมชาติแต่เป็นภาวะนึกขึ้นมาได้เป็นขณะขณะภาวะนึกขึ้นมาได้นั้นเป็นสติจริงๆทว่า ไม่ได้ยืนพื้นอยู่บนฐานของจิตที่คงเส้นคงวาจิตที่พร้อมรู้เองอย่างเป็นธรรมชาติจะมีความตั้งมั่นคุณจะรู้สึกเหมือนเลิกลอยคอกลางทะเลเพอไปถึงจุดที่เท้าอย่างลงแตะพื้นและหยัดยืนสบายอยู่อย่างมั่นคงไม่เคลื่อนไม่หวั่นไหวตรงนั้นท่านเรียกว่าเป็นความตั้งมั่นแห่งจิตหรือสมาธิจิต สมาธิจิตไม่ใช่ภาวะจงใจเพ่งขืนฝืนเกรงกําลังเพื่อยุติการเคลื่อนไหวทว่าคือสภาพของจิตที่โปร่งเบาเป็นอิสระจากความฟุ้งซ่านเป็นอิสระจากความกระโดดไปอยากโน่นอยากนี่ไม่ถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสหยาบจึงเปลี่ยนจากภาวะกระด้างเป็นอ่อนโยนควรแก่การเกิดสติรู้เห็นกายใจตามจริงเพื่อเพิ่มความตั้งมั่นให้แก่จิต คุณอาจเดินเล่นกลับไปกลับมารู้เท้ากระทบเฉยๆพอจิตเริ่มเคลื่อนจากเท้าเท้าเริ่มพล่าเลือนไปจากใจกลายเป็นเหม่อลอยก็รู้สึกถึงความเหม่อลอยและกลับมาอยู่กับสัมผัสกระทบระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นใหม่หรือเมื่อนั่งรอใครแทนที่จะปล่อยลมหายใจทิ้งเปล่าก็ดูไปว่าวินาทีนี้เป็นตาของลมเข้าหรือลมออก ดูซ้าไปซ้ามาแทนที่จะเบื่อกลับจะยิ่งสนุกเมื่อพบว่าลมหายใจไม่ซ้ากันจริงมียาวบ้างสั้นบ้างมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างแม้แต่ลมหายใจไม่สม่าเสมอจิตกลับสม่าเสมอด้วยสภาพดูสภาพรู้อยู่นั่นเองหากจิตของคุณตั้งมั่นสบายไม่โดดไปโดดมาจริงๆพอกลับมาเห็นกายใจแยกกันใหม่ เห็นภาวะรู้ซ้อนรู้ใหม่หรือเห็นอะไรใหม่ๆอีกคราวนี้คุณจะไม่เหนื่อยไม่เหมือนลอยคอกลางทะเลแล้วจิตจะเหลือแต่กิริยารู้ว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับไปหรือแม้สิ่งนั้นดูตั้งมั่นสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราเป็นภาวะตั้งขึ้นเพื่อให้ดูเฉยๆเท่านั้นจริงๆและใครล่ะจะเป็นผู้เหนื่อยแม้แต่ความเหนื่อย ก็แค่ภาวะเสื่อมไปของจิตที่มีกำลังตั้งมั่นเท่านั้นเองเเาาวันนี้ออนนทบทความจากนิทยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่44เสียงอ่านโดยนนโจโฉ ไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคือใครที่ได้กันสิ่งที่เธอนัน้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้า ฉัน